เาขาเข้าเศรษฐกิจมันบีบรดัดพอเขามาแล้วก็บางคนก็บวชบวชบวชผมมีเวลาเจ็ดวันหลวงพ่อไม่บวชให้นะพราเหอตุไรเพราะว่าเอสาหังก็ยังไม่ได้จะไปจับบวชได้ยังไงเจ็ดวันไม่เอาเ อ, อ, อย่างน้อยก็ต้องเดือนหนึ่งมาอยู่วัดสักหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างน้อยต้องเอสาหังพอเอสาหังจบแล้วจงค่อยว่ากันถ้าเอสาหังยังไม่จบ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 แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนากับเป็นโทษอีกต่างหากเน่พอสึกอกไปแล้พระอยู่ในวัดไม่รู้ทำอะไรไม่มีอะไรทำเดินเด่นด้นดานๆงงๆงานอยู่ไม่เห็นทำอะไรคือในความในใจเขพอเข้าม า, าจะเห็นพระทำงานขุดดินฟันไม้อะไรลักษณะอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าชีวิตของพระเนี่ยคือทำอะไร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 พระบรมวงสานวงของเวียงจันทร์สมัยนั้นเจ้าเชียงใหม่กับเจ้าเวียงจันทร์ลักษณะยังไงจากนั้นก็มาอยู่ยุคนั้นไปไวเป็นยุคที่เจริญในถิ่นนี้เมื่อหกร้อยปีให้หลังก็เบื้องเฟื่องหายในแต่เห็นในบริเวณวัดของเราเนี่ยพบปัดกวาดไปแล้วก็เห็นโผลขึ้นมาละเออว่เผื่องหายองคนโบราณแตกเนี่ย แต่เขาจะฝังไหเงินให้ทองไว้ที่ไหนใครนั่งพาวนหลับตาดูก็ได้อาจจะเจออยู่ก็ได้นะอแต่สรุปแล้วก็คือคนมาอยู่ก่อนแต่ทางหน้าวัดของเราเอยมันก็เป็นเหมือนกระจอมปวกสมัยนั่นน่ะมันเหมือนกระจอมปวกมันเป็นเออเหมือนก็จะเป็นโบสถ์เป็นวิหารอะไรก็ใหม่รู้ล่ะอยู่ข้างหน้าวัดแต่นี่พอต่อมากับคนก็ขุดก็ค้นสมัยนั้นก็มันก็หาของดีใช่ไหม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 ในเมืองที่เขาทำสวยๆงามๆน่ะศาลาของเราน่นแทนหลังนั้นได้พอได้ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วเนี่ยที่หลักวิสุงคามสีมาเนี่ยอันนี้นะคือหลักถูกต้องตามพระวินัยถูกต้องตามกฎกติกาของบ้านเมืองนี่แหละอันนี้ก็คือบอกกล่าวให้แก่คาทศไทาญาติโยมลูกหลานได้รได้ทราบสรุปแล้วก็คือวัดวาศาสนาไม่ค่อยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด